เราเรามองข้ามอภิญญาภาพของเรียนธรรมะเนี่ยอยู่กับเร า, าตั้งแเกิดน่ะถึงไม่มีพระพิเเจ้าธรรมะคนนี้อยู่นะ่ะเรามีร่างกายเรามีจิตใจเรามีสิ่งทีตาเห็นูได้ยินจมูกได้กลิ่นได้รสกายสัมผัสแล้วทุกส่งเราที่มีอยู่ทั้งหมดธรมรมะภายนอกธรรมะภายในนี้อยู่แล้ว เขาเห็นอะไรเขาก็ไปหลงว่าจีจังเขาไม่เห็นวาน้แทของสิ่งเรามองเห็นสิงที่เราได้ยินมันเป็นใครลักษณยแกนสาอะไรจีจังเหนอมองเป็นคุจันก็กคุจันเป็นคุจันทอจะไม่ให้คุณจันเป็นคุจันเป็นยังไงนั่นคดเอาุจันท์ไม่ใช่คุจันหรอกเป็นข้นผ้าที่เขาใช้ไ่ได้นันหลอกตัวเองไม่ใช่คนคนไม่ใช่คน ซร่งหลอกเองได้ต้องเห็นสภาวะจริงเห็นจริงๆต้เห็นความจริงแล้วนะรู้ว่าไม่มีสัจคุอะไรสัจคสงสัยเก่ที่เใจลูดเมยและรู้ลงไปเลยไม่ให้ทาแท้จริงแล้วธรรมชาติทหายมันเคลื่อนไหวอย้ร่างกายเราก็เคลื่อนไหวินใจเราก็เคลื่อนไหว อย่างเราหายใจเข้าหายใจรอความรู้สึกของเราก็ขึ้นไหวเดี๋ยวตรงเดี๋ยวทุกเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายหมุนไปไปก้าวสังเกตก้าเรียนรู้ในที่สุดจะรู้ว่าอดคับไมได้สักอย่างเดียว้าจแกเกียวเพราะฉะนั้นการปฏิบัติการเดินสุขี่ีอะไรที่เกินส่วการก้าวป็นเกตการใช้จิตใจที่เปสนธรชาติธรรมดาที่สุดนี่แหละ เาเกตการณ์ตั้งใลขอเราบรได้แต่เราบรได้เราูเยวไม่เหนึ่งบไม่ได้ในเรับรรพต่างใจได้ไหมในใจเข้าอย่างเดียวในใจออกยังไม่ทันทำหรอไม่ได้นะมันทับใจใม้มีความสุขตลอดให้ตุกตลอดไม่ได้เราฉะนั้นตรอก็พื่เจ้าเลยอเพ่ออ ก็เราควรจะแก้ไขของผุ้ป่วยให้ได้ให้ราเรียรู้เสร็จ้ารู้แบบว่าอะไรตหนไม่ได้แก้เพาะแก้ไม่ได้ร่างกายมันจะปุ๊บมันจะป่วยแก้ไม่ได้ค่ามันได้ปวยเก่จากสายเดินเลแก้สายเดิเราแก้ได้แกต้องหินะ่าเล่นคนมีคติสอนน้อย Thank <laughs> you.